นเป็นอนิจจาอย่าได้โซกาว่าเป็นแก่นสารโลมาคือคนงอกรูอวตัวตนว่าคนทนทานก้าวโกรธสนเส้นบอมิเป็นแก่นสารเวลาถึงกา ปลเล็บทั้งลายเปยื่อยเนา่าปุพองเป็นหนองภายในคนทานเอาไว้ย่อมเป็นกังวลทันต า, านคือฟัน32สองอันข้างล่างข้างบนงอกขึ้นภายลังหน้าชัางเหลือทนลุดทอนคลอนหล่นทนทุก เวทนาตะโจคือหนังห่อหุมอ่มกายังเท่าผลพุทธาหุ่มห่อรอบตัวทั่วทั้งกายาเมื่อมวยมรณาเรงกาจิกกินมังสังคือเนื้ อ, อยาดาไดเอื้อเฟื้อเนื้อกาอุซิชินเน่านอน เหนือแผ่นดินแรงกาจิ ก, กินเมื่อสิ้นอาสันนะหารูคือเอ็ น, เ, อนเมื่อตัวยังเป็นเอ็นชักไว้วันเอ็นใหญ่กเก้าร้อยเอ็นน้อยกเก้าพันรัดตรึงตรึงกันผูกพันกายาอธิคือกระดูก กพันพกูกระดูกนานาได้สามร้อยทวนล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้โศกาว่าเป็นแก่นสารอัธิมินชังคือเยื่อในกระดูกกระดูกนั้นยังมีเยื่อยึดและยานล้อ ใจพระทันคานใครว่าใจนานาใจขึงใจโกรธใจโทอดโทสาใจมานแกล่าข้าสัตว์ทั้งหลายใจมักสอเสียนใจลวงใจลลอให้เขาลง ใจดำนั้นใสเหมือนสัตว์เดรัจฉานใจร้ายใจพานจะจมอยู่นานในจตุเอรบายใจมักทำบุญให้คิดถึงคุณสินทานทั้งหลายให้แล้วให้เล่าข้าวน้ำมากมายจงเร่งคน ทำบุญไหว้พระสวดมนต์กุศลผลบุญใจมันเจือจุนด้วยใจศรัทธาใจนั้นสุภาพละอายต่อบาปใจไม่อยาบช้าสื่อสัตว์มั่นคงจำงเจรจาห้าโทษโทษสา ใจดังดวงแก้วประเสริฐเลิศแล้วส่องโลกโลกากุศลพ้นบุญทำไวานานาเราท่านเกิดมาไม่เป็นแก่นสารใจถือขันตีเมตตาปราณีฟูงสัตว์ทั้งหลายเหนียวเอามักพนให้ถึง นิพพานแม้สิ้นอาสันยอมพ้นอบายเราจะขอกล่าวถึงเรื่องตำลงไปยากกะนั่งคือตำ ร, รองรับหัวใจเป็นพวงแวนหอยย้อยอยู่ข้างในอย่าได้สงสัยว่าจะคงทนกิโล ออมันไม่เป็นพน ล, ล้วนเป็นเครื่องเน่าเปล่าทั่วกายตนมันไม่เป็นพนเหลือล้นโสมมอันต่างคือไ<ส><ส>หย่ดุดดังถุงสายคดไว้ให้กลมจามสิบสองคดดุดดังวายคมยาด้ายนิยม เรื่องเน่าภายในอันต <ะ S 2> อคุณางคือใส่น้อยดุดดังสายซอยร้อยพันเข้าไว้เมื่อกลื่นอาหารเปรี้ยวหวานเข้าไปอยู่ในลำไส้หน้าเกลียดนักนาอุทาิยังคืออาหารมา เข้าไปทุกสิ่งนานาอุตส่ากลำกลืนแล้วรากออกมาเร่งคิดอนิจจาทั่วทั้งกา ดุดดังทานไฟครั้นสิ้นดับจากกัดกรากศูนย์ไปเร่งคิดให้ได้ถึงพระ อ, อนิจจาเสมหั ง, หงคือสเลด เ, เครื่องหน้าสังเวชสเลดนานากลามวย ม, มรณากลัดกลุ่มหัวใจปุกโพคือน้อง เน่าเปื่อยผู้พองเป็นนองภายในไม่ถึงครึ่งวันจากศูนย์บลายเร่งคิดให้ได้ถึงหลักอง์อนิจจาโลหิตาำคือเลือดไหลมาไม่เหิดเลือดทั่วทั้งกายยี่สิบธนาน สาบซ่านทั้งกายพาระทันพันนาว่าเลือดในตนเสโทคือเหือไหลมาสาบเนือ้อทั่วทุกเส้นคนไหลมาเมื่อร้อนบ่อนทานทนหลบหลีกบพ่พ้นทั่วทั้งชายหญิงเมโทคือมันคน เล่นอยู่ในตนแห่งคนทั้งหลายอัสุคือน้ำตาไหลมาไม่ไหวเมื่อใกล้จะตายพรัดพรากจากกันวะสาคือมันเลวไหลมารวดเร็วมีมากเหลือใจเคโลคือน้ำลายไหลอาบสาบไป ทว่ทั้งไรฟันสิงคานิกาคือน้ามูกจำไว้ให้ถูกน้ามูกอาันานันยืดหยตดเลอะเทอะเประเปือนมหันไหลออกมาทุกวันโซโรปรกเต็มทีละสิกาคือครขอออ ทุกทั่วอินซีหลอเลี้ยงภายในร่างกายของเรานี้สำหรับกายเ ย, ยดยัดดัดกายหมุดตังคือ น, น้ำมูดเมื่อได้พิสูจน์น้ำมูดในกายน้ำเค็มน้ำคืนเหม็นหืนเลือใจเต็มแล้วจึงใคร เชื่อวันมัทเกคือหูสิ่งไม่น่าดูเหมือนหูกะทะมัทะลุงคือตาต้องมวยมอรณาอนิจจ เป็นไขวัดปวดแสบแผลคัดคัดปวดนาซาอาการส2ิองเนืองนองกันมาล้วนแต่อนิจจังทุกครั้งอนัตตาทั่วทุกตัวคนอวิชชาคือตัวโง่เก่า คิดไม่ได้ยอมตายเปล่า